RMT Talk สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ RM u d i c i a l c o r วันนี้นะครับพบกับผมปิยพงษ์เคนไวร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับประเด็นการพูดคุยในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการแสดงความยินดีกับท่านนายกสภาสถาปนิกนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาติดตามเพิมความรู้จักกับสภาสถาปนิกรวมไปถึงนโยบายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งกันอยู่นะครับต้อนรับพลเรือเอกทนิตกิติอําพลท่านอยู่ในห้องส่งกับเราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ครับผมเรื่องราวของการทําความรู้จักกับสภาสถาปนิกในตอนนี้เองเนี่ยหลายท่านอาจจะยังถ้าไม่อยู่ในวงการสถาปนิกเองจะไม่ค่อยรู้จักจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่วัตถุประสงค์ของสภาเองมีมีบทบาทอํานาจหน้าที่ยังไงบ้างครับครับจะขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าบางคนอาจจะสับสนนะระหว่างสภาสถาปนิกกับสมาคมสถาปนิกครับสองค์กรนี้แตกต่างกันนะครับสมาคมสถาปนิกนี้เขาเกิดขึ้นมาประมาณเกือบจะ แปดสิกว่าปีแล้ว น, นะครับออืเกิดขึ้นจะเห็นว่าชื่อสมาคมเขาคือสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเมื่อแปดสิกว่าปีนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสามนิกที่มาจากต่างประเทศหรือเรียนจากต่างประเทศมาหรือเรียนก็เรียนในเมืองไทยก็เริ่มรวมตัวกันครับที่จะก่อสร้างเป็นสมาคมสมาคมนั้นไป็ก่อตั้งโดยการที่คนกลุ่มหนึ่ง รวมตัวกันแล้วก็ไปจดทะเบียนส่วนสภาสถาปนิกนั้นเกิดในปีพศ2543นะครั บ, รบก็เกิดจากสถาปนิกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ไปยื่นเรื่องขอให้ออกพระราชบัญญัติสภาสถาปนิกนะครั บ, รบเพื่อที่จะใช้ควบคุมกํากับสมาชิกที่เป็นสถาปนิกในประเทศไทยนะครั บ, รบในช่วงเวลานั้นก็คนกลุ่มนั้นก็ยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยเพราะวิชาชีพนี้ ได้รับการได้ได้รับการดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยโดยกำหนดเป็นวิชาชีพควบคุมมาประมาณเกือบ50กว่าปีแล้วนะครั บ, รบโดยใช้ชื่อว่ากศคือคณะกำการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปนิก ต่อมาเมื่อ4ีสานั้นเราใช้เวลาถึง10ปีนะจาแต่ปี 3, 3าสาจนถึงปี4ี่เนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้ออกมามเป็นพระราชบัญญัติสถาปนิก 2,543 ัรบเมื่อเป็นพระราชบัญญัติสองพแล้วก็เกิดสภาสถาปนิกขึ้นครั บ, รบสภาสถาปนิกก็เกิดจากการที่เลือกสมาชิกของที่เป็นสถาปนิกเข้ามาเป็นผู้บริหารตอนที่เลือกตั้งนั้น 24่วงเล็บหคือสถาบนนิกทั่วไป10ท่าน24่วงเลบสองมาจากอาจารย์5ท่านและสุดท้ายอีก5ท่านเป็นกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมานะครับอพอแต่งตั้ง ม, มาแล้วสภาสถานินนั้นก็มีหน้าที่นะครับมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภ า, า น, นี้มาก็คือส่งเสริมการศึกษาการวิจัยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมส่งเสริมความสามัคคีไกลเกลี่ยข้อพิาพาทของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกมีปัญหาต่อกันเนี่ยสภ า, าสานิกต้องมีหน้าที่เข้าไปดูแลในจุดนั้นนะครั บ, รบส่งเสริมสวัสดิการและพะดุงเกียรติของสมาชิก ค, คือพดุงเกียรติของสมาชิกไม่ให้สมาชิกเนี่ยไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังค ม, มถ้ามีการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องถูกลงโทษในจรรญาบรณแห่งวิชาชีพครับอันที่สุดคือควบคุมความประพฤติและเนยงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรญาบรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมนะครับ ช่วยเหลือแนะนําเผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมนะครับให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี mm. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทยนะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในเรื่องสถาปัตยกรรมดําเนินการอื่นๆตามที่ได้กฏกําหนดในกฎกระทรวงนะครับ คราวนี้จะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า ค, คำว่าสถาปัตยกรรมที่ผมพูดถึงที่เป็นสมาชิกเหล่านี้ เ, เนี่ยมันมีสี่สาขานะตอนนี้สาขาที่หนึ่งคือสาขาสถาปัตยกรรมหลักที่เรารู้จักกันก็คือออกแบบตัวอาคารเนี่ยครั บ, รบสาขาที่สองคือสาขาสถาปัตยกรรมภายในนะครับคือทำงานในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในอาคารสาขาที่สามคือสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งดูแลเรื่องการตกแต่งพวกแลนสเคปสวนต่างๆและก็สิ่งที่ส่งเสริมอาคารที่มันเป็นสีเขียวทั้งหลายนะครับคือพวกนี้สำคัญมากตอนนี้ยิ่งยิ่งมีความสัมพันธ์มากสำหรับเรื่องแลนสเคปเนี่ยเพราะอาคารเนี่ยสมัยนี้จะต้องมีแลนสเคปที่ดีแล้วมันจะทำให้อาคารดูสดชื่นแล้วก็ได้ออกซิเจนด้วยนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งคือสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ก็ ค, mm hmm. คือดูแลควบคุมออกแบบในบพื้นที่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ครับเป็นคนวางมัลส์เพลนของพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างที่มีพื้นที่มากๆเนี่ยก็ต้องให้ทับปนิกผังเมืองเป็นคนออกแบบ mm hmm. นะครับครับครับดูเหมือนว่าเป็นเป็นหมือว่าสายสายวิชาชีพเขาใช่ไหมอาจารย์ที่ที่บอกว่ามีเรื่องของแต่ละประเภทออกมา4ประเภทชนิดออกมาที่มีกัน4ี่ประเภทออกมาที่ถ้าตอนนี้คือเรามองเห็นคือ มันจะเป็นชัดเจนเลยว่าเรื่องการเรียนการสอนก็มีมีตอบโจทย์บุคลากรกลุ่มนี้อย่างชัดเจนด้วยใช่ครับครับคือตอนเนี้มันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเปิด4ี่สาขาอยู่นทุกเกือบทุกมหาวิทยาลัยครับแต่ที่ราชมงคลยังเปิดไม่ครบนะครับแต่ว่าทุกสาขาเนี่ยมีการเรียนการสอนอยู่แล้วครับทบทวนครับหลังจากที่ท่านได้รับตําแหน่งเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับอยากให้ท่านได้พูดถึงแนวนโยบายที่ท่านจะบริหารจัดการต่อไปนะครับว่าท่านมีนโยบายอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาสถาปันนี้ครับ ครับก็อยากจะเรียนนิดหนึ่งวันนี้ผมเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกสภาซึ่งจริงๆแล้วนายกสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็กสมาชิกก็ต้องเลือกผมอีกทีหนึ่งคือเพราะกรรมการที่เข้ามาเป็นกรรมการสภาต้องเลือกผมอีกทีครับผมก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์และก็นโยบายการบริหารครับนโยบายการบริหารที่ผมก็เตรียมไว้7ข้อด้วยกันนะครับคือข้อแรกของผมคือต้องทําให้สภาสามนิกเนี่ยเป็นนานาชาติให้ได้ คือไม่ใช่สภาเฉพาะในประเทศไทยจะต้องส่งเสริมให้สถาปนิกไทยเนี่ยไปทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เปิดทางด้านอาเซียนอาร์เคเต็กแล้วในกลุ่มประเทศ10ประเทศนี้เราเราเปิดอยู่แล้วคือเราเชื่มอมโยงกันอีกเราเรชืยยอ่อมโยงเราเรามีสถาปนิกอาเซียนแล้วตอนนี้เราออกบอนุญาตสถาปนิกอาเซียนแล้วที่จะข้ามไปทํางานในประเทศ10ประเทศอาเซียนได้ใ น, น, น, นส่วนที่เอาออกไปตรงนี้คือ เป็นหน่วยงานของเราเองหรือมีการจับจับมือกับต่างประเทศเท่นั้นจับมือ10ประเทศเนี่ยครับแต่ว่าเราออกใบอนุญาตจากประเทศเรารแต่เวลาไปทํางานที่อื่นก็ต้องไปขออนุญาตอีกทีหนึ่งคือเหมือนไปรับรองผ่านผ่านไปขั้นที่1ขั้นที่1อึ่ง a p r o ขั้นที่1พอไปถึงจะไปจะไปทํางานในอินโดนีเซียอะไรเงี้ยก็ไปทํายื่นเรื่อง ให้เขาออกใบอีกใบหนึ่งก็ทํางานเป็นโปรเจกต์โปรเจกไปคือตอนไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยมันมีนโยบายว่าต้องทํางานแบบร่วมกันไม่ใช่ทําไปเข้าไปทํางานเลยก็ต้องทํางานร่วมกับโลเคอล์อาร์เคเต็กเขาตรงนี้ก็คือใบอญาติที่จะทำงานร่วมกันแต่เราก็พยายามผลักดันตรงนี้นะครับให้มีอาเซียนอาร์คคเต็มากขึ้นในประเทศไทยนะฮะอันที่สองก็คือเราพยายามที่จะทําอย่างไรให้ทราร์พนิกต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยถูกต้องตามกฎหมาย อันนี้เป็นนโยบายต้องผลักดันให้เข้ามาทําได้โดยถูกต้องตามกฎหมายเพราะปัจจุบันนี้ก็มีสถานเอกต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายถูกไลายไปซึ่งถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ว่าจะต้องติดตามฟ้องร้องกันนะตอนนี้เราก็ผลักดันไปนระดับหนึ่งแล้วแต่รายละเอียดที้ผมจะไม่พูดเพราะว่าจะจะไม่ไม่มีเวลาพูดทั้งหมดนะครับอันที่2คือ ผมเน้นการรวมเป็นหนึ่งของทุกสาขาวิชาชีพคือเวลานี้มันมี4ีสาขาวิชาชีพนะแต่วิชาชีพก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการทํางานเนื่องจากในอดีตเนี่ยมันมีสาขาเดียวคือสาขาสถาปัตยกรรมหลักนะครับสาขาสถาปัตยกรรมหลักเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างอืตั้งแต่อินเทเลียแลนด์สเคปก็ทําได้หมดแต่วันนี้มันมี4ี่สาขาแล้วคือแยกตัวออกมาแยกออกเป็น4ี่สาสี่สี่ใบประกอบอาชีพแล้วมี4ี่ใบประกอบอาชีพแต่สาขาหลักเนี่ยเขาก็ยังอยากจะทํางานร่วมกับ ทำงานประเภทอื่นซึ่งอันเนี้ยมีความไม่ไม่ลงรอยกันในเรื่องของกรอบตอนนี้ก็จะต้องเข้ามาเคลียร์จุดนี้ให้มันชัดเจนว่าเออถ้าจะทำทำได้แค่ไหนอย่างไ ร, รหรือถ้าใครไม่ทำแล้วก็ได้โปรดจุดทำไปนะครับแต่รายละเอียดก็ยังอีกเยอะนะถ้าจะเล่าใม้เวลานานอันที่สามคือการบริหารงานสภานะผมเน้นเรื่องต้องปรับปรุงออฟฟิศเนี่ย ให้เป็นระบบที่ทันสมัยให้มีกระดาษน้อยที่สุดนะใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือวิธีการส่งข้อมูลโดยใช้ระบบ e-management เข้ามาใช้ในการบริหารนะครับผมข้อที่สี่คือการทำให้วิชาชีพมีความมั่นคงแข็งแรงนะเรื่องนี้ก็เป็นอันนี้ผมวางหลักเกณฑ์ไว้เลยว่าเข้ามาที่เนี่ยผมต้องมาทำสถาปนิกสาขาที่ห้าคือสาขาก่อสร้าง นะครับอ๋อครับซึ่งปัจจุรนันมีสี่สาขาอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วใช่ใชครับแต่ครั้นี้เราอยากจะเปิดสาขาที่หเพราะว่าผมก็พูดกับอาจารย์ไว้เื้อยแยะบอกว่าผมอยากได้สถาบนิิคุมงานก่อสร้าง oh. สถาปันนิคประมาณราคาครเะ้นเราก็อยากจะให้มีสร้างทำนิคแบบนี้ขึ้นมาซึ่งแต่ ก, ก่อนพอจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเปิดหลักสูตรนี้เด็กก็ไม่อยากจะเรียนเพราะไม่มีใบประกอบอาชีพเหมือนเพื่อนฝูงที oh. น, นี้เราจะพยายามจะแก้กฎกระทรวงเพื่อออกใบอนุญาตให้ได้ นะครับแต่จริงๆมีการเรียนการสอนหรือรือสอนในกลุ่มนี้ทางด้านนี้ใช่ไหมครับท่นตอนนี้มีน้อยมากทําให้ในในในระบบของเราเนี่ยขาดผู้<า><า>ผู้ ค, <น S 2> คุมงานก่อสร้างก็เอาสามามนิกที่มาจากสถารกรรหลักเนี่ยซึ่งจบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งเขาเน้นในเรื่องของการออกแบบเนี่ยกลับมาลงคุมงานก่อสร้างซึ่งท่านก็ทําได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บางท่างก็ทำทำบ้าง ไม่ครบระบบบ้างอะไรบ้างก็เธอเกิดความเสียหายครับผมจะรีบไปเร็วๆอีกสองหัวข้อนะครับคือส่งเสริมสามนิกในภูมิภาคนะครับให้มีความเข้มแข็งได้รับข้อมูลข่าวสารคือรลานี้เรามีสามนิกอยู่ในจังหวัดต่างๆมากมายนะทุกภาคเลยครับแล้วเราก็พยายามคิดจะไงจะทําให้เขาเนี้ยได้ข้อมูลขอข่าวสารวิชาการทันสมัยกับเหมือนคนในกรุงเทพอันนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ครับ อันที่หกคือทำให้งานจรรยาบรรณและงานกฎหมายเนี่ยมีความชัดเจนมั่นคงแข็งแรงนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมในระบบนะครั บ, รบอันสุดท้ายก็คือเป็นสิ่งิสมคัญที่ผมคิดแล้วก็อยากจะทำให้ได้คือทำให้สังคมไทยเข้าถึงวิชาชีพสถาปนิกโดยทั่วถึงนะโดยการจะสร้าง หลักสูตรหรือมีการอบรมหรือมีวิชาวิธีประชาสัมพันธ์นะเพื่อให้คนไทยเนี่ยเข้าใจวิชาชีพนี้นะครับจะได้ใช้วิชาชีพนี้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ครับก็บคง<ผ> ม, มีแค่นี้ครับดูเป็นมระนการภาพการปรับภาพลักแล้วก็พัฒนาองค์กรแล้วก็สร้างความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่หลายคนคนที่เข้ามาเรียนจะทำงานเนี่ยจะทนนําตรงนี้แต่กระบวนการคือยังมีอีกหลายบริบทที่จะต้องมาเชื่อมโยงกันรวมไปถึงการให้ข้อมูลกับ ภูมิภาคกันด้วยครับซึงถือว่าตอนนี้ถ้าถ้ า, ถาเอาสั้นิหนึ่ครับข้อมูลณตอนนี้สมาชิกของเราในทั้งกรุงเทพมหานครส่วนกลางรวมทังภูมิภาคเรามีมากน้อยขนาดไหนท่านนะเรามีเกือบ 30,000 คนนะเรามี29000กว่าเสร็จๆครั บ, รบแน่นอนว่าต้องมีพัฒนาภพิขึ้นแล้วต้องมีกลุ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับท่านต้องมีมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเวลานี้มีมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนแล้เนี่ยผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าน่าจะเกิน30มสิแผงแล้วโอราฉะนั้นปีนึงเราผลิตจํานวนมากทีเดียวนะครับ ที่เข้ามาเป็นสมาชิกเราเนี่ยแล้วก็มาถือใบไประกอบอาชีพเนี่ย มันมีอยู่ประมาณนี้ครับอืมครับผมแน่นอนว่านี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการพูดคุยกันกับอ m u ์เอ็ในครั้งนี้นะครับเนโอกาสครั้งหน้าเราจะทำความรู้จักกับท่านเพิ่มเติมเรื่องของนโยบายในแต่ละส่วนและการบริหารจัดการและก็รวมไปถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะว่าเรื่องของสภาสถาปนิกเองมีบทบาทส่วนหนึ่งที่จะไปเชื่อมโยงกับด้านการศึกษาด้วยจะมีบทบาทอย่างไรครั้งหน้าเราจะคุยกันวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเราครับพลเรือเอกทนิตกิติอัมพลนายกสภาสถาปนิกวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านครับ ครับผมวันนี้เจอกันได้ใหม่ครับครั้งหน้า r m ร Talk ทนะครับสวันี้สวัสดีครับ